4. เอกพีชีสูตรว่าด้วยพระเอกพีชีโสดาบัน494รภิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้อินรียห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีนย้ปัญญินรีห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคล 1. เป็นพระอาหารหันเพราะมีอินทรีย์ห้าประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ 2. เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริณิพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอาหารหันนั้น 3. เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปริพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้อันตราปรินิพพายีนั้น4เป็นพระอนาคามีผู้มีอสังขาราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพพายีนั้น 5. เป็นพระอนาคามีผู้สัสังขาราปรินิพพายีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้อสังขาระปรินิพายีนั้นหกเป็นพระอนาคามีผู้อุดทังโสโตโอกะนิทะคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีผู้สังขาระปริสนิพายีนั้นเจ็ 7. เป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามี ผู้อุดทางโสโตอากาศนิธาคามีนั้น8เป็นพระเอกาพีสีโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้น 9. เป็นพระโกลังโกละโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระเอกาพีสีโสดาบันนั้น 10. เป็นพระสัตตะขัตตุปรรมโสดาบัน เพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโกลังโกละโสดาบันนั้นสิเอเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสตัตตะขัดตุปรรมโสดาบันนั้นสิบสองเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีนัน้น เอกับพีสีสูตรที่4จบ